หนังยี่สิบวินาทีภาวนาสบายก็หยุดคือกันเปลี่ยนเด้ออ่าต่อไปต่อปัญหามีไหม อเาอใครอยากนั่งภาวนายังไม่ลืมตาก็ตามถนดัดเด้ยังอีกยี่สิบยังอีกสิบนาทีอ้าวาาอาาูเพื่อนไดู้เข้ามาหาเราลอยหลังเสเป็นสองรเริาอะไรคะโอ้ฟังไม่ออก มานกาบเรียนหาพระอาจารย์อาการเหลือมีติดขึ้นมนได้ดูดเข้ามะหาเราลอยๆหลังเดินจงกรเสร็จ็นแลบนี้2องรอบแล้วค่ะจากอะไรเขาเอาให้เป็นเอกเอาให้เป็นอกีกคือจากอะไรไม่ต้องไปสงสัยทำให้ได้อีกมีสติอยู่กับตัว มันรู้สิ่งที่ผิดปกติได้คืออะไรเป็นอะไรหรือคิดว่าจะได้บรรลุธรรมแล้วแผ่นดินจะไหวเหรอเอาเลยเอาหไหวเลยเอามันแยกเลยทำทะลุไปตอนนั้นเลยนะเอาไปเอาอีกนะ หลังจากกังวลลมหายใจจนกระทั่งจิตยิ่งมากเกิดความรู้สึกเหมือตัวขยายใทั mm ่ว hmm. แต่ตัวในหญ่ดีเหมือนอวัยวะที่มาหายใจแทบไม่รู้สึกอะไรนั่งไป ก, กินช mm ็อคกอร์เหมือนจิตขึ้นออกมาจากร่างกายที่นั่งภาวนาอยู่ อ, นะพอพาาย่างเดียวชาแห่งมองดูร่างกายหน้าตาตัวเองเหมือนเป็นคนอื่น ที่ต้องรับเจ้าของบุคคลขณะนั้ น, น, น, น, นยังมีความรู้สึกตาผิวหนังบ้าแต่วางเฉยต่อกันได้เป็นอย่างนี้อยู่นักใหญ่แล้วอยู่อยู่ความรู้สึกเหล่านั้นเริ่มจำไปแต่ผิวยังมีอยู่อืมดีแล้วถูกแล้วถูกแล้วทาอีกทำเพิ่มอีกความรู้สึกของอวัยวะเริ่มกับ เริ่มเกิดจากเริ่มเกิดความปวดเรื่อย ต, ตามตัวเพราะไม่ได้เปลี่ยนท่านั่งเลยต้อง<ม>พยายามเฉยๆกับมันเพราะไม่อยากให้จิตับเครื่องจูดูมีอาการดึงจนเกิดอาเทียนออกมาเดียวนั้น<ม>แต่พยายามกลั้นเอาไว้และบระิกรรมพุทโธและตั้งจิตขอ บ, บารมีทุลาอาจารย โดนอาการดีขึ้นและหายรักไปเอเอาไว้มันเอาไว้มันเป็นธรรมโอษฐ์อย่างนั้นดีแล้วเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอะไรเนี่ยดูไม่ชัดเถอะดูไม่ชัดบางทีก็โดนหลอกเหมือนอย่างเรานั่งภาวนานเงี้ยเรานั่งภาวนาเนี่ยมันมึนมันชาบางทีเหมือนกับก้นเราไม่ได้ติดพื้นน่ยนะ เกิดปรากฏเมื่อเราเหาะเราลอยอย่างเงี้ยที่สำคัญก็คือดูให้มันชัดอย่าเพิ่งไปหมายผิดหมายถูกแล้วก็ไปพูดเป็นตุเป็นตะไม่ได้เราดูเองให้รู้ชัดด้วยตัวของตัวเราเองดูให้ัชัดธรรมะโอสดมันมีอยู่ธรรมะโอสถเนี่ยอืม อนุภาพของใจมีอยู่ออนุภาพของใจมีอยู่ความอัศจรรย์ของใจอะมีอยู่จะพึ่งไปกระตกกระตากดูให้ดีดูให้เห็นดูให้ชัดดูให้ชัดมากกว่านั้นดีแล้ว บอกแล้วว่าในกายของเรามันไม่มีอะไรอยู <languages again> ่เท่าเดิมันพลิกมันเปลี่ยนไปเรื่อยอืมเดี๋ยวอาการนู้นโผล่เดี๋ยวอาการนี้โผล่เดี๋ยอนั้นโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวนั้นหายไปเดี๋ยวนี้โผล่มาเดี๋ยวนี้หายไปเดี๋ยอนั้นโผล่มาเดี๋ยอนี้หายไปมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละภาวะอันนี้แหละคือภาวะที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปดูเห็นมันจะคืออะไรมันจะเป็นอะไรเราก็ดูสิดูให้เห็นนเลยภาวะที่มันจะแสดงให้เห็น ความเปลี่ยนแปลงความไม่คงทนความไม่คงที่ความไม่อยู่เท่าเดิมเราก็ดูไปโอ้นี่คือความไม่อยู่เท่าเดิมเพราะมันมันมาอย่างี้มันก็เปลี่ยนได้แล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้เดี๋ยวมันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนได้มันหายใจเข้าหายใจออกสัหนึ่งเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้คือมันไม่เข้ามันไม่ออกมันเข้าได้มันก็ออกได้มันเข้าได้มันไม่เข้าก็ต้องได้ คนตายเนี่ยมันไม่ใช่หายใจเข้านะหายใจออกนะก่อนที่ปอดมันจะหยุดทํางานมือนดึด๊ด ด, ด, ดมันขยับตัวไม่ได้แล้วแล้วปุ๊บไม่ใช่คนหายใจเข้าแล้วก็ตายนะไม่ใช่นะปอดมันไม่ทํางานแล้วกระบังลมมันไม่ทํานแล้วตึ๊บมันจะมีน้ําลายฟูจมูกฟูน้ําปากน้าลายที่ปากฟู ลมมันดันขึ้นมาใครเคยดูคนใกล้จะตายเนี่ยเจ้าของเคยดูช oh ัดแล้วแหละเคยดูจนชัดมันไม่ใช่หายใจเข้านะตายนะหายใจออกนะตายเนี่ยคือมันเข้าไม่ได้เพราะปอดมันจะหยุดแล้วเนี่ยมันแวบแวบแๆบแบแบนมันยืดเข้าอย่างเงี้ยมันออกเข้ามันออกเข้าเพราะมันมีแต่จะออกจะออกจอมันไม่เข้าวับอ้าวหยี เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจิตมีความเข้าใจถูกต้องตามน้นจริงว่าอะไรไม่ใช่ของเราเออมันก็ค่อยรู้ไปมันก็ค่อยไค่อยรู้ไปต้องไม่ถูกต้องเราก็ดูไปคำถามที่เราทำไปนั้นถูกต้องแล้วหรื อ, อ, อ, อยังคะับกครจะจะช่วย อถูกแล้วถูกแล้วให้มีสติกมนดจดจ่อยอยู่กับตัวนั่นแหละมันจะเป็นอะไรก็รู้มันไม่มีผีสางเทวดาที่ไหนมาทำให้เราดอกก็ภาวะของธาตุของคันของเรานี่แหละมันไม่มีอะไรอย่างอื่นดอกอย่าไปสำคัญว่าเป็นโน่นเป็นนี้ไปคะคัดเดาเดาเราดูแต่ความโลภความโกรธดิศยาริษยาราคะกัญหาของเราเนี่ย มันเบไปมันเบาไปมันเบาไปมันเบาไปมันเบาไปนั่นคือผลปรากฏที่จะเพิงเกิดขึ้นในหัวใจของเราสิ่งเหล่านี้แหละมันตกค้างเหลืองหลงเหลืออยู่จากที่เราตั้งอกตั้งใจทําอันนี้แหละคือผลเราทําไปได้มาผ่านไปได้มาแล้วก็ผ่านไปได้มาแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรต้องพยายามดูตัวนี้ดูตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรเป็นอะไร เราตั้งอกตั้งใจทําคุณสมบัติเหล่านี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงจากภาวะที่ไม่ดีก็จะดีขึ้นสติไม่เคยปลอดโปล o n ก็จะปลอดปร o งขึ้นใจของเราไม่เคยสม่ําเสมอไม่เคยเสมอต้นเสมอปลายมันก็จะสม่มําเสมอมันก็จะหนักแน่นมันก็มันก็จะไม่ผ่อนแอมันก็จะไม่ไม่ไปเปราะใจเปราะใจสก์ใจน้อยใจใจน้อยเนื้อตจำใจ ใจอิดช่าใจทีษียพยาบาทดูให้เห็นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่หลงเหลือเหลือความหนักแน่นเหลือความมั่นคงเหลือความสงบสงัดเป็นสองกับสัจจะคือความจริงอะไรจะปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราพยายามดูคนหจดจอดดูอยู่อย่างนั้นและผลจะปรากฏที่เราทุรยะทุเวลาเอาวันนี้พอสมควรเวลาเท่านี้ พอสมควรแค่นี้สี่โมงจากนั้นแล้วเราเข้ามาอีกก็นหนึ่งทุ่มทำพักสวดมนต์นนะหนึ่งทุ่มทำพักสวดมนต์วันนี้เราจบแค่นี้อะไรปัญหานี่ปัญหาคนเดียวเหรอฮะฮะปัญหาคนเดียวเหรอรูกนี่พวกนั้นหมดปัญหาแล้วนะมีปัญหาคนเดียวเนี่ย <laughs> อหลวงตาที่วัดเนะี่ยเสียแล้วเสียเมื่อห้ามองชาเนะนีหลวงตาเพิ่มอายุแปดสิบสี่แปดแดสิบ้าเนี่ยให้ให้จัดแจงให้ขอวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ ระยะหลังนี่ฉันไม่ค่อยได้เมื่อวานก่อนมาเนี่ยเราก็ไปคุยด้วยตรงนั้นหายใจสบายเราได้พูดชมโอ้หลงจาหลงตาหายใจสบายเนาะมีแต่โครงกระดูกมีแต่กระดูกคือร่างกายมันมันไม่ได้กายภาพนะี่ยกล้ามเนื้อมันยุบหมดเลยนะเดือดหนังห้มกระดูกมันไม่ได้กายภาพจะรีวมาร่างกายถ้าไม่ได้กายภาพนะ่ะกล้ามเนื้อจะหดหายหมดเลยนะถ้ามันเกิน เกินเขตมันเนี่ยมันจะยุบยุบ ย, ย, ยุหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงมีมีหมอกายภาพเอาไว้ถ้าถ้าเราไม่กายภาพเนี่ยกลัมเนื้อหดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจริงๆนะไปดูหลุกตาเส้นเอ็นตรงไหนที่มันมันโปนมันโตมามันก็แสดงให้ปรากฏชัดน้นองตาหายใจสบายหายใจแถววาสบายนั่งรับตาสบายไม่ลืมตาดับ เราก็ไปคุยด้วยไปจับไปนุ่นไปนี่หลานคนหนึ่งคอยดูแลประจำอยู่นะเป็นพระเขาก็ดูแลจับประจำต่ายหนักถ่ายเบาเช็ดเนื้อเช็ดตัวใส่ยาถวายอาหารแล้วก็เขาเขาก็ทำกายภาพนะแต่ทำกายภาพช่วงนี้ทำเพื่อให้เอ็นมันยึดถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะมันจะยึดอยู่กอ้งอง่องอ่า ต้องมีขยับต้องมีขยับขยับอย่างเงี้ยเอ็นมันจะไม่ยึดนี่คือความรู้ดูคนคนป่วยดูคนแก่ดูคนป่วยหลวงปู่เขียนเนี่ยพวกเราดูแลสิบเก้าปีหลวงปู่เขียนไปอยู่ที่ศรีนครินทร์บางคนก็ได้ความรู้จากหมอขอแนะนําอย่างางั้นให้ทําอย่างไงให้หลวงปู่แนะนําให้ทําอย่างไงให้หลวงปู่พอมาถึงตอนนี้ก็หลงลงตาเพิ่มหลงตาเพิ่มนีนก็ล้มตั้งแต่ในภาษาที่แล้วนี่แหละ ล้มอายุ84แต่ลุงตาท่านผ่าตัดบายพาส3ามเส้ น, นหัวใจตั้งแต่อายุ72หลังจากท่านผ่าตัดมาจนถึงตอนนี้ได้ประมาณ13ปีเพราะว่ายังมากยังมาก10ปีแต่นี้มันได้กำไรไป2ปี3ปีแล้วพอมาพอหลังจากผ่าตัดมาได้8ปีนี่ลุงตาเริ่มสุดอาการอย่างอื่นเริ่มแสดงให้ปรากฏแลว เริ่มไซเมอร์เริ่มอะไรอะไรจะแปรปรวนไปหมดแล้วหัวใจคือหลงตานี่ท่านจะดีใจมากดีใจจนยอมตายดีใจที่ได้ออกบวชเนี่ยจากบวชตั้งแต่พ่อยังอยู่พ่อกำให้บวชให้กูตายซะก่อนมึงค่อยบวชอยากบวชตั้งแต่แม่ยังอยู่แม่กับพูดอีกให้กูตายซะก่อนมึงค่อยบวชพ่อตายหมดแม่ตายหมดอืม ลงตาถึงได้ออกบวชนลุงตาออกบวชก็ไม่มีใครชอบใจเลยเรวมถึงไม่ออกพ้นด้วยไม่ออกไม่ชอบใจเลยไม่ออกพ่นลุงตาอยู่ที่ไหนจะไม่ไปหาเลย <c oughs> ตั้งสัจจะ <c oughs> พวกเราอย่าไปหาตั้งสัจจะแบบนี้นะสามีภรรยาเป็นคู่บารมีต้องตั้งอย่างนั้นสิเรามาเจอสุขเจอทุกข์ด้วยกันอยู่แล้วไปทำให้เป็นพยายามาต่อกันได้ยังไง ไม่มาจริงๆนะไม่มาจริงเมื่อวานเราไปคุยเมลลื่อวานหลานเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออพวกลูกๆว่าจะไปให้เอาดอกไม้ไปให้แม่ขอเข้ามาให้แม่แม่ขอเข้ามาอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วลูกๆเขาจะเอาดอกไม้มาให้หลวงตาแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสารพัดที่เราจะจะรู้จะเห็นบนโลกใบนี้แต่เราจะยึดอะไรได้ถูกต้องดีงาม นี่พวกเราอยู่ท่ามกลางการฝึกอบรมพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพื่อจะไม่อย่างนั้นอันนีค้คือเราพูดแง่หนึง่งแต่คุณนาความดีอย่างอื่นของเขามีมากมายเยอะแยะหมายถึงหมายถึงไม่ออกข้างเพื่อนนะเป็นคนดีมากและลงตานะั้นเป็นคนดีระดับหมู่บ้านเลยนะเป็นคนดีระดับหมู่บ้านบ้านนั้นมีงานไปช่วยเขาเป็นโคศกให้เขา พยายาูดพญายาพูดอะไรนี่โอ๊ยไหลเลยเนี่ยแต่งกรอนพญ า, าเนี่ยลุงตาเนี่ยงานนู้นมีบ้านนู้นมีงานไปช่วยเขาบ้านนี้มีงานไปช่วยเป็นคนดีระดับหมู่บ้านถ้าเป็นอย่างสมัยทุกวันนี้เขาเรียกปราบหมู่บ้านนะลุงตาเนี่ยทีนี้พอพอท่านได้ออกบวชเสร็จแล้วท่านมาเป็นโลกหัวใจเฮ้ยเราได้ออกบวชแล้วเราสบายแล้วตายช่างมันเถอะไม่สนเลยทิ้งเลยในหะัวใจเนี่ย พอมาอายุเจ็ดสิบสองมันขึ้นหัวใจมันขึ้นใบาพาดมันตีบหัวใจ่ะมันจะตายแหลไม่ตายเลย อ, อไ ป, ไ ป, ไปไปไปไปกูตายในขณะที่ที่เขากําลังพาอยู่ก็ยังดีว่าะ <c oughs> เวลามันขึ้นมาเหมือนเหมือนเข็มแทงมันทรมานเราก็เลยเอาไปให้หมอเชิดพาคอนแกนพามาก็ไม่มีปัญหาอะไรดิบดีมาตลอดหลวงตาในสุขได้ช่วยยืดท่านได้แค่นั้นแหละได้แปดสิบสี่แปดสิบห้าเนี่ยหลวงตาหลวงตาเพิ่ม นี่คือบวชตอนตอนภัยหลังเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็มาบวช ด, ดีใจมากที่ได้บวชเนี่ยแต่เพื่อนมีบุญเก่าด้วยนะหลวงตาท่านมีอะไรของท่านแปลกๆนะหลวงตาเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านอ่ะเคยมาจำพรรษากับเรานานแล้วก็ท่านก็ออกไปไปอยู่ทางนน้นทางหลวงปู่สายเอออะไรเออตอนหลังมาก็ไปเจอหัวยใจเนี่ยเข้ามาหาเราอีกก็ยอยู่ต่อนเนื่องมาจนทุกวัน บวที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ไปยุนนาแองนาแองตอนหลังมาก็มาอยู่กับเราอยู่กับเราแล้วออกไปพักหนึ่งออกไปก็ไปเจอโรคนี่แหละแล้วเข้ามาหาเราก็อยู่ตั้งแต่นั้นมาเป็นสิบกว่า ป, ปีนะั่นแหละตั้งแต่ผ่าตัดมาอยู่นี้มาตลอดสิบกว่าปีดวงตาภาษายี่สิบกว่าตัวเพิ่มไปแล้วไปอย่างสบายเลยไปเหมือนกับหมดลมหายใจไปเลยไม่กระตุกกระตากไรละ เมื่อวาเราไปยืนดูออืหลวงตาคือหายใจสบายแท้ปอดเพิ่อะไรวงเพิ่นอะเมื่อกี้มีไม่มีปัญหาเลยเนี่ยปอดหายใจนอนหายใจสบายหลวงตาคือนอนหายใจสบายแท้บางครั้งเป็นก็ว่ามันทร ม, มานโอ้ยอยากตายเนาะนทร ม, มานหลานมาลอยฟังอือหลานเข่าก็ว่านู้นว่านี่อือ ไม่ใช่คนว่าเองดอกหลานมันว่าชักตายเราทําไงนี่เราไปวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้อีกอย่างงานใหญ่งานคุณเท้าหลาเนี่ยแล้วครับพรุ่งนี้ก็ยังที่นี่อีกไปรอพระอีกไปตอนค่ำเขาเผาพรุ่งนี้เราก็ไม่ทันอีกเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ไปตอนค่ำหนึ่งทุ่มสองทุ่ม ไปหนึ่งทุ่มสองทุ่มเขาก็เผาเสร็จอะไรเสร็จอดูก่อนก็จะไปตอนข้ามวันพรุ่งนี้ที่แรกว่าจะนั่งรถไปที่นูน่นที่จันทร์สามแล้วเนะะในสู่ก็จะไม่ได้ไปจันทร์สามอีกแล้วนะจะต้องโทรไปบอกท่า น, นแล้วนะเพราะเรามีมที่นี่ไปที่นู่นอาเกียร์มันก็ไปรับเราไม่ได้ถ้าเราไปที่จันทร์สามนะี่ ไอ้กเกียรติมันยุ่งอยู่นี้เพราะเราไม่อยู่กเท่าก็ไอ้กเกียรติบริหารคนเดียวเลยวันภาษาโน้นภาษานี้ภาษาอะไรต่ราาาอะไรสารพัดเกียรติกับคิศเล็ทสให้ช่วยกันดูแลอยู่หนึ่งเมียนเรื่องเตาเรื่องอะไรให้ท่านหนึ่งมาช่วยก็าวางแผนแล้วเขาว่าพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เราก็ทําอะไรง่ายๆเราเผาเอาไว้หนึ่งสองคืน คืนนี้ ะ, ะคืนเดียวใช่วันใช่วันนี้1วันหนึ่งคืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์จากแล้วเราค่อยมาคิดทำบุญตามหลังก็ได้ทำบุญใหญ่ทำบุญ น, น้อยขนาดไหนเราค่อยมาคิดตามหลังละระยะนี้มันก็ในภรษาด้วย เก็บไว้นานเก็บไว้นานก็ก็ไม่มีอะไรเก็บไว้ก็เก็บศพไว้นานก็คืออะไรก็คืออึ้งตึงอยู่นั่นแหลนะถ้าเหมือนอินเดียมก็สะดวกแล้วล่ะตายวันนั้นเผาวันนั้นตายวันนั้นเผาวันนั้นคนใหญ่คนสูงคนระดับไหนก็ตามตายวันนั้นเผาวันนั้น อินเดียไม่ต้องไม่ต้องใส่หีบใส่ศพใส่รองอะไรแหละใครเคยไอินเดียจะเห็นกระอะก็ลงศพเขาก็มีไม้หามสองสองอันอแล้วก็มีไม้ผ้ากลางสองสามอันยกคนไปนอนแล้วก็ผ้าผ้าปกๆเท่า น, นั้นแหละหามข้างละสองคนแค่นั้นแหละเอาไปแล้วก็ลงไปจุ่มในน้าคงคาซะกว่าเราลองจุ่มทั้งหมดนั่นแหละ จุ่มทั้งผ้าทั้งพอนน่ะจุ่มลงมาแล้วมาตั้งตะแคงแตะแคงไวใ้ให้น้ำมัไนไหลออกพุทธิจะคอยกองฟอนกองฟอนมันไม่เคยว่างเป็นพันๆปีที่ฝั่งแม่น้ําพงคาใครไม่เคยเห็นไปนดูนั่นคืออินเดียพาราณาสีเป็นพันๆห้าพั น, พน 5, ปีเป็นอยู่อย่างงั้นอ่ะไม่เคยหมดไม่เคยไม่เคยหมดพพิธีเหล่านี้ อ่าพอสมควรเวลาเลิก